กรอที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่ว่าพระเรวตตได้ออกจาริกเพื่อมุ่งไปยังเมืองพาราณสีขณะที่กําลังเดินทางผ่านป่าแห่งหนึ่งท่านก็ถูกพวกโจรสี่คนจับตัวไปโจรก็ต้องการทรัพสมบัติทรัพย์สินแต่หลังจากที่โจรได้ค้นตัวพระเรวตตแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีเงินทองสักนิดเลยนะคะ เพราะว่าสมณะในพุทธศาสนานั้นจะไม่มีทรัพย์เหมือนชาวโลกเพราะท่านไม่ได้มุ่งหาเงินทองแล้วนะคะต่อมาพระเรวัตะได้หาโอกาสแสดงธรรมะหัวหน้าโจรกับลูกน้องอีกคนหนึ่งได้กลับใจเลิกเป็นโจรส่วนอีกสองคนนั้นยังพอใจที่จะเป็นโจรต่อไปเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะ เหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นับัดนี้ค่ะ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 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพอหัวหน้าโจรผู้กลับใจกล่าวจบเท่านั้นเองเหตุการณ์อันไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นในชั่วพริบตาเดียวกันนั้นสีหะก็กระโดดขึ้นชักดาบออกจากฝักอย่างรวดเร็วเอาปลายกี้ที่กอหอยของหัวหน้าโจรไว้พร้อมๆกันนั้นปาลกะก็ชักดาบของตนออกยี่ที่กอหอยของปิงคิระเช่นเดียวกันท่านหัวหน้าสีหะ กัดฟันพูดออกมาแบบคำรามเราจะแยกทางกันยังไม่ได้และเราจะไม่มีวันแยกทางจากกันเป็นอันขาดถ้าแยกทางกันก็หมายความว่าไม่ข้าพเจ้าหรือท่านจะต้องตายพระเถระจ้องดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยความระทึกใจไม่น้อยเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าเหตุการณ์จะแปรเปลี่ยนไปในรูปนี้หัวหน้าโจร น, นั่งนิ่งจ้องดูลูกน้องผู้ทรยศของตน ด้วยดวงตาเป็นประกายวาวดูน่ากลัวยิ่งนักเขาทางปากขมุบขมิบจนหนวดกระดิกอยู่คู่หนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นว่าเฮ้ยอย่าเล่นบ้าๆแบบนี้เลยสีหะในฐานะหัวหน้าข้าสั่งให้แกเก็บดาบเข้าฝักเดี๋ยวนี้สีหะหัวเรากล้องปาแล้วก็พูดขึ้นอย่างได้ทีว่าเศรษฐเอ้ยเวลานี้แกไม่ได้เป็นหัวหน้าข้าอีกต่อไปแล้วคาสั่งของแก ย่อมไม่มีความหมายสําหรับข้าข้านี่แหละคือหัวหน้าของแกตั้งแต่บัดนี้ไปแกจะต้องฟังคําสั่งของข้าแกจงบอกมาว่าแกจะตัดสินใจเดินทางที่ถูกหรือจะอยู่ในทางที่ผิดต่อไปถ้าแกยังขืนจะเดินตามทางที่ถูกเราก็เป็นศัตรูกันเพราะเมื่อแกไปเป็นคนดีแล้วแกก็จะไปมอบตัวแก่ราชบุรุษแล้วก็กระทําความดีความชอบ โดยการพาราชบุรุษมาจับเราเพื่อว่าแกเองจะได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่ถ้าแกจะเดินตามทางผิดของเราต่อไปข้าก็จะไว้ชีวิตแกเมื่อแกให้สัตย์ปฏิ ญ, ญาณแบบโจรแกข้าว่าจะไม่ถือโทษโกรธเคืองแกข้าแล้วข้าก็จะยอมเป็นลูกน้องของแกต่อไปการที่สีหะบังคับให้เศรษฐะให้สัญญาเช่นนี้ก็เพราะเขารู้ดีว่า พวกโจนนั้นถึงแม้จะเร็วสามสักเพียงไหนก็ยังถือคำสัตย์เสมอด้วยชีวิตแต่ถ้าสัจจะปฏิญญาณอย่างใดไปแล้วย่อมรักษาคำพูดแม้ด้วยชีวิตทีเดียวขณะที่เหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวกำลังดำเนินไปอยู่นั่นเองเหตุการณ์อันไม่นึกไม่ฝันอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นกล่าวคือได้มีเสียงล้อเกวียนบทพื้นดังแว่วมาจากทางด้านหนทางผ่านป่า ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อยเสียงนี้แสดงให้เห็นว่ามีพ่อค้าเกวียนบางคนกำลังนำสินค้าผ่านป่าโดยไม่รู้ว่ามีโจรซุ่มซ่อนอยู่ในป่าพอได้ยินเสียงเกวียนเท่านั้นสีหาและปาลากะผู้หิวโหยมาหลายวันก็หูพึ่งด้วยความดีใจอย่างสุดขีดที่จะได้ปล่นเพื่อ น, นำเอาอาหารมากินเขาได้ลืมเหตุการณ์เฉพาะหน้าเสียสิน้นเขารีบพระจากเศรษฐะ ยกดาบคู่มือขึ้นหน้าศีรษะแล้วก็วิ่งออกไปทางถนนเตรียมป้นพ่อค้าเกวียนทันทีปลรากะเพื่อนของเขาก็พลอยวิ่งต่างไปด้วยเศรษฐและปิ่งคีละต่างรีบลุกขึ้นกระโดดคว้าดาบซึ่งตนโยนทิ้งไปแล้วเอามาถือไว้แล้วก็วิ่งตามศีหะและปลรากะไปอย่างรวดเร็ว พระเถระรีบลุกขึ้นมองตามหลังโจรทั้งสี่ไปด้วยควา ม, ม ง, งุนงงเพราะไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ข้อที่ท่านวิตกที่สุดก็คือเกรงว่าเสียงเกลียนของพ่อค้าจะทำให้เศรษฐะและปิงคิระซึ่งหิวโหยเช่นเดียวกันเปลี่ยนใจไปเข้าข้างสีหะและปากะและก็ช่วยกันปล้นพ่อค้าเกวียนอย่างที่เคยกระทามาเพื่อจะดูให้แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น พระเถระจึงรีบเดินบุก ป, ป่าฝ่าน้ำออกไปยังหนทางเมื่อมาถึงที่โล่งแห่งหนึ่งริมทางแทนที่จะเห็นโจรทั้งสี่กลังเค้นฆ่าพ่อค้าเกวียนอย่างที่คาดหมายไว้พระเถระกลับได้พบโจรทั้งสี่กลังจับคู่ฟันดาบ ก, กันอยู่เป็นสองคู่คือศีหะกับเศษรษฐ ะ, ะคู่หนึ่งและปารกะกับปิ่งคีระคู่หนึ่งทั้งสองคู่กาลังต่อสู้กันด้วยเพลงดาบอย่างสุดวิมือ เสียงดาบกระทบกันเสียงดังฉาดฉาดสนันป่าส่งประกายไฟวาบๆบออกสู่อากาศไม่ขาดระยะฝ่ายพวกพ่อค้าเกวียนก็คงจะประหลาดใจไม่น้อยเหมือนกันซึ่งอยู่ดีๆก็เกิดมีพวกโจรมาฟันดาบต่อสู้กันเองให้ดูแทนที่จะตรงเข้าป้นสะดมตนทุกคนจึงเตรียมแต่ชัก ด, ดาบคู่มือออกมาเตรียมพร้อมและก็ยืนดูการต่อสู้ของพวกโจรด้วยความสนใจยิ่ง พระเถระเองสนใจการต่อสู้ระหว่างเศรษฐะกับสีหะเป็นพิเศษเพราะคู่นี้จะเป็นการตัดสินครั้งสุดท้ายว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าจากการสังเกตของท่านในฐานะที่เคยเป็นโจรใช้ดาบมาอย่างชำชองท่านก็เห็นได้ว่าเศรษฐะมีฟีบมือเชิงดาบเหนือกว่าสีหะมากมายแต่รู้สึกว่าเศรษฐะจะไม่ตั้งใจที่จะต่อสู้จริงๆเพียงแต่ป้องปัด ป้องกันตัวเท่านั้นตรงกันข้ามกับสีหะซึ่งต่อสู้อย่างสุดกำลังและฝีมือจึงไม่มีการที่จะอ้อมไม้ออมมือแต่อย่างใดการที่เขาเร่งต่อสู้อย่างดุเดือดนี่เองทําให้เขาอ่อนกําลังลงอย่างเห็นได้ชัดตรงกันข้ามกับเศรษฐะซึ่งต่อสู้อย่างใจเย็นพระเถระสังเกตเห็นว่ามีหลายครั้งที่เศรษฐะมีช่องทางพอที่จะเผด็จศึกได้อย่างแน่นอนแต่เขาก็ปล่อยให้โอกาสผ่านไป โดยไม่ได้ทาอะไรบางทีการเลี้ยงศัตรูไว้ก็นำความหายนะมาสู่ตนเองมีตอนหนึ่งที่สีหะเปิดช่องให้เศรษฐะจึงทาทีเป็นจ่วงแทงเบาๆและในขณะนั้นคงจะกุมด้ามดาบเบาๆด้วยสีหะจึงป้องกันตัวด้วยการเอาดาบของตนปิดสุดแรงเกิดทําให้ดาบคู่มือของเศรษฐะหลุดจากมือกระเด็นไปตกในระยะไกลต่อจากนั้น การต่อสู้ด้ดาบกับมือเปล่าก็เริ่มขึ้นสีหาถือดาบย่างสามุมเข้าหาเศรษฐะด้วยความหวังคราวนี้แกตายแน่เศษฐะเอ้ยจงตายในหนทางที่ถูกต้องของแกเสถิดเขากลัดกลามพูดอย่างเกลี้ยวกลาดฝ่ายเศษฐะก็ยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเดินถอยหลังไปเรื่อยๆตาจ้องจับอยู่ที่คู้ต่อสู้ไม่กระพริบบัดนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องเอาจริงเอาจังแล้ว เพราะเขาต้องต่อสู้ด้วยมือเปล่าถ้าพลาดพลัง้งก็หมายถึงชีวิตพระเถระแทบเผลอตัวอุทานออกมาด้วยความตกใจในเมื่อเห็นเศษฐะถอยไปสะดุดตอล้มหงายหลังตึงลงไปบนพื้นดินซีหะรีบฉวยโอกาสนั้นพุ่งดาบเข้าหมายแทงยอดอกคู่ต่อสู้ตึงอยู่กับพื้นแต่ในชั่วพริบตานั่นเองเษฐะก็ทิ้งกลิ้งตัวหลบอย่างรวดเร็วทาให้ดาบของสีหะพุ่งเสียบพื้นดินจนแน่น ถอนไม่ขึ้นขณะที่สีหพยายามจะถอนดาบอยู่นั่นเองเศรษฐะก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วตรงเข้ารับกคอไว้อย่างมั่นคงสีหพยายามดิ้นสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถจะนําตัวให้หลุดไปได้สีห์เอ้ยเศรษฐะกล่าวขึ้นอย่างได้ทีบัดนี้ถึงทีข้าจ่ อ, อคําสั่งกับแกบ้างละแกจงให้สัญญาแบบโจรแก่ข้าว่าแกจะไปตามทางของแก และปล่อยให้ข้าไปตามทางของข้าอย่างสงบสุขเออข้าให้สัญญาสีหา ก, กล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาพอเศรษฐะวางมือเขาก็ล้มพลอยลงไปนอนแน่นิ่งหมดสติอยู่กับพื้นส่วนคู่ปรกะกับปิ่งคีระนั้นปรากฏว่ายังสู้กันอยู่อย่างอุตรุดแต่เมื่อเห็นเศรษฐะเดินถือดาบเข้าไปหาปรากะก็โยนดาบทิ้งยอมแพ้ทันที เศรษฐะได้ช่วยแก้ไขสีหะจนฟื้นขึ้นมาและทั้งสี่ก็อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งพวกพ่อค้าต่างพากันมามุงดูเป็นการใหญ่และเมื่อได้ทราบว่าโจรทั้งสามกำลังหิวโหวยก็ได้นำเอาอาหารมาเลี้ยงดูจนอิ่มหนำสำราญพระเถระพ่อยโล่งใจที่เห็นเหตุการณ์สงบลงโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อและชีวิตท่านหัวหน้าสีหะกล่าวขึ้น เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วข้าพเจ้าตัดสินใจใหม่แล้วว่าจะกลับใจเดินตามทางที่ถูกข้าพเจ้าจะขอติดตามไปรับใช้ท่านทุกคนทุกแห่งจนกว่าชีวิตจะหาไม่ฝ่ายพวกพ่อค้าเมื่อได้ทราบเรื่องราวของโจรทั้งสี่ตั้งแต่ต้นและเชื่อแน่ว่าโจรทั้งสี่กลับใจได้แน่แล้วก็เกิดความสงสารและเห็นใจเป็นอันมากพระเถระ ได้ออกปากขอฝากโจรทั้งสกับพวกพ่อค้าเพื่อเป็นก้าวแรกในการเดินทางอันถูกต้องโดยให้ทุกคนโกนหนวดโคนเข่าเสียให้เรียบร้อยให้นึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและให้สมาทานศีลห้าประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาฝ่ายพวก พ, พ่อค้าก็ยินดีที่จะรับโจรทั้งสี่ไว้เป็นลูกมือช่วยในการค้าขายเป็นการฝึกงานใหม่พวกโจรทั้งสี่ ก็รับรองอย่างมั่นเหมาะว่าจะรับใช้พ่อค้าและช่วยป้องกันอันตรายจากโจรให้ในที่สุดขบวนเกวียนก็ออกเดินทางต่อไปในขณะที่พระเถระออกเดินทางไปยังทิศทางตรงกันข้าม เย็นวันหนึ่งหลังจากที่เดินทางมาตลอดวันพระเรวตะเถระก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนาอันกว้างขวางมองดูในระยะไกลก็คล้ายกับเกาะที่อยู่กลางทะเลเนื่องจากไม่มีป่าอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านที่พอจะพักอาศัยได้พระเะถระจึงเข้าไปพักในสลาพักคนเดินทางซึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้านแห่งนั้นขณะที่พระเถระ กำลังนั่งพักผ่อนสหรานอิริยบทอยู่บนสลานั่นเองก็มีชายอายุกลางคนคนหนึ่งเดินขึ้นสลามาพบกับท่านเขายกมือไหว้พระเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าและนางพรามกำลังตกอยู่ในห่วงมหันตทุกข์ขอท่านได้โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อได้ยินคำว่าทุกข์จากปากของใครเาตามพระเถระจะเกิดความปิติยินดีทันที เพาหน้าที่ของท่านก็คือการช่วยแก้ความทุกข์ให้แก่มนุษย์เปรียบเหมือนเวชาการที่ท่องเที่ยวไปเพื่อรักษาโรคตามคมนิคมชนบทต่างๆเมื่อได้พบคนป่วยก็ย่อมดีใจที่จะได้ทําการรักษาเยียวยาหรือได้ค่าจ้างมาเลี้ยงทีพอุบาสกท่านกําลังมีทุกข์อะไรหรือโปรดเล่าให้อัตมาฟังด้วยอัตมายินดีจะช่วยเหลือพระเถระปรอบ ท่านผู้เจริญชายผู้มีความทุกข์กล่าวพลางถอนหายใจระบายความทุกข์ที่อัดแน่นอยู่ในใจข้าพเจ้ามีบุตรอยู่คนเดียวกำลังอยู่ในวัยหนุ่มอายุย่างเข้าส9บเก้าฤดูฝนแล้วเขาเป็นที่รักของข้าพเจ้าและนางพรามณียิ่งกว่าดวงตาเพราะเขาเป็นทายาทผู้สืบสกุลของเราเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าเขาเป็นอะไรไปตระกูลของเราคงจะขาดสูญแน่ๆ ฉะนั้นเราจึงเป็นทุกอย่างยิ่งท่านสมณะเมื่อปีกายนี้เองบุตรของเราได้เกิดความรักใคร่ชอบพอกับนางกุมารีที่ดาของพรามหาสารคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้เองซึ่งมีฐานะจะ ก, กูลเสมอกับเราฝ่ายนางกุมารีก็รักบุตรของเราเช่นเดียวกันเท่าที่ข้าพเจ้าทราบทางมารดาบิดาของนางก็ไม่รังเกียจบุตรของเราแต่ประการใดทุกสิ่งทุกอย่าง มีท่าทีว่าจะเรียบร้อยลงเอ่ยด้วยดีแต่แล้วเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นคือเมื่อต้นฤดูเก็บเกี่ยวนี้เองบุตรชายของเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของนาแถบนั้นหลายแห่งได้ออกมาตรวจตาดูนาและเก็บค่าเช่าค่านาของตนแทนเศรษฐีผู้เป็นบิดาเข้ามาด้วยขบวนใหญ่สมเกียรติแห่งเศรษฐีและก็ได้พักอยู่ในบูบ้านของเราเป็นเวลาสามลตรี บุตรเศรษฐีได้มาพบนางกุมารีทิดาของพรามหาศารเข้าความงามของนางทาให้ชายหนุ่มบุตรเศรษฐีเกิดความรักขึ้นมาทันทีเขาได้พบพรามหาสารผู้เป็นบิดาเจรจาตกลงอันเป็นการภายในก่อนและได้เสนอให้ทรัพย์สมบัติเป็นอันมากรวมทั้งที่นาหลายแปลงเป็นค่าสินสอดแก่พรหมหาสารเพราะความโลภในทรัพย์พรหมหาสาร ได้ตกลงยินยอมแต่โดยดีกําหนดจะทําพิธีวิวาในไม่ช้านี้ท่านอนาคาลิกฝ่ายบุตรของข้าพเจ้าเมื่อได้ทราบข่าวนี้ก็ตกลงสู่ห่วงมหันต ท, ทุกขทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างสลับกันคล้ายกับคนบ้าเขาพยายามแล้วพยายามอีกที่จะไปพบกับคนรักของเขาแต่ไม่ได้โอกาสเ พ, พราะพลังมหาศาลผู้บิดา ได้ขังลูกสาวของตนไว้ภายในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเลยจัดให้มีการคุ้มครองรักษาอย่างแข็งแรงมากตอนแรกๆบุตรของเราก็เกิดความโกรธแค้นชิงชังพรามหาศาลบิดาของคนลักอย่างรุนแรงทุกๆวันเขาจะนำดาบคู่มือออกมารับรับแล้วรับอีกจนอาจจะกล่าวได้ว่าถ้ า, มาแมลง ว, วันบินกระทบคมดาบของเขาก็จะขาดเป็นสองท่อนทีเดียว เราได้พยายามปลอบโยนและชี้แจงให้เขาเห็นโทษภัยของการฆ่ามนุษย์จนกระทั่งเขายอมเลิกความคิดนั้นในที่สุดแต่มาบัดนี้ความโกรธเคืองขุนแค้นก็ได้กลับกลายเป็นความเศร้าอย่างลึกซึ้งเขาไม่คิดจะทําอะไรนอกจากจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวเราต้องตั้งกองอารักขาไว้คอยดูแลเขาตลอดวันตลอดคืนไม่มีสิ่งใด ที่เขาพอจะใช้ทําอันตรายแก่ตัวเองได้อยู่ใกล้เขาเป็นอันขาดท่านสมณะท่านมีวิธีใดจะช่วยปลดเบื้องทุกแก่บุตรของเราได้หรือไม่ถ้ามีก็ขอได้โปรดช่วยอย่าได้ชักช้าพระเถระจ้องดูพราหมณ์ผู้เป็นทุกข์พราะบุตรด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วกล่าวว่าอุบาสกก่อนจะลงมือช่วยบุตรของท่านอนตาตมายอยากจะทราบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขา เพื่อจะได้พิจารณาหาทางช่วยเขาและช่วยท่านต่อไปบุตรของท่านเคยได้เรียนศิลปะวิทยามาจากอาจารย์สำนักไหนบ้างหรือไม่ท่านสมณะเนื่องจากฐานะทางทรัพย์ของเราไม่ดีพอเราจึงไม่ได้ส่งบุตรไปเรียนในสำนักอาจารย์ที่สาบามกแห่งเมืองตักศิลาเช่นเดียวกับบุตรพราหมาสานและกษัตริ์มหาศา ร, ศ ร, ร, าศารอื่นๆแต่เราได้ส่งบุตรของเราไปเล่าเรียน ในสนักอาจารย์ผู้มีชื่อแห่งนครราชครุเป็นเวลาหลายปีเขาเพิ่งสำเร็จการศึกษากลับมาอยู่บ้านเมื่อประมาณสองปีมานี้เองดีมากพระเถระพูดขึ้นด้วยความหวังถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าบุตรของท่านแม้จะยังอยู่ในวัยเยาว์ก็จัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ธรรมดาคนมีความรู้มักจะมีความคิดด้วยอาตมาถามเรื่องนี้ก็เพราะว่า วิธีการช่วยเหลือของอัตมาเป็นการให้ความรู้และความคิดทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจในความจริงและก็หายทุกข์การให้ความรู้และความคิดแก่ผู้มีความรู้ความคิดเป็นทุนอยู่แล้วได้ผลดีกว่าผู้ไม่มีความรู้อะไรเลยหลังจากนั้นพราหผู้เป็นวิดาก็พาพระเถระไปยังบ้านของตนเมื่อจัดที่ทางให้พระเถระนั่งเรียบร้อยแล้ว เขาก็เข้าไปในเรือนพูดจาปลอบโยนบุตรและชวนเขาให้ออกมาพบกับพระภิสุขผู้เป็นสมณะในพระพุทธศาสนาแต่พูดจากเกลียกล่อมอย่างไรก็ไม่ได้ผลบุตรชายไม่ยอมออกมาพบพระเถระเขาบอกว่าเขาไม่มีจิตใจที่อยากจะพบใครทั้งสิน้นเขาอยากจะหนีไปสชยจากโลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนี้ท่านสมณะพราหมณผู้เป็นบิดา กลับมารายงานแก่พระเถระบุตรของข้าพเจ้าไม่ยอมออกมาจะทําอย่างไรดีละ่ะพระเถระนั่งนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าไม่เป็นไรอัตมาจะลองเข้าไปพบเขาเองว่าแล้วท่านก็เดินเข้าไปในห้องมีพราหมณ์ผู้บิดาเดินต่างไปติดๆภาพที่พระเถระเห็นอยู่ข้างหน้าภายใต้แสงประทีปที่สว่างพอประมาณนั้นเป็นภาพของชายหนุ่ม ผูมีหน้าตาหม่นหมองด้วยความทุกข์มีร่างกายผ่ายผอมเพราะไม่ยอมบริโภคสิ่งใดมาเป็นเวลานานท่านหยุดยืนแผ่เมตตาจิตแก่เขาพลังเมตตาจิตของท่านกระทบดวงจิตของเขาทําให้เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองพระเถระด้วยสายตาอันอ่อนละโหยทุกฝ่ายอยู่ในความเงียบครู่หนึ่งพระเถระจึงพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบๆว่ากุมานเอ้ย เวลานี้เจ้าอยากตายเพื่อจะหนีไปเสียจากโลกอันเต็มไปด้วยความทุกนี้ใช่หรือไม่ชายหนุ่มไม่ตอบด้วยวาจาแต่พงกศีรษะรับอาตมาเห็นใจเจ้าพระเถระกล่าวต่อไปและการที่อาตมามาคราวนี้ก็เพื่อจะมาช่วยให้เจ้าได้ตายไปเสียจากโลกนี้คำพูดของพระเถระทำให้พรามผู้เป็นบิดาถึงกับสะดุ้งสุดตัวแม้แต่บุตรของเขา ซึ่งไม่ค่อยจะแสดงความสนใจในพระพิสุแปลกหน้านักก็เกิดความสนใจขึ้นมาทันทีเขาจ้องดูพระเถระด้วยอาการงงงันเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นและได้ยินคนสนับสนุนให้เขาตายแทนที่จะห้ามปรามดังคนอื่นๆพระเถระทำงานก้าวแรกสําเร็จแล้วเพราะนั่นเป็นแผนการแรกในการดึงความสนใจของคนป่วยทางจิตของท่าน ขอได้โปรดเถิดท่านสมณะชายหนุ่มกล่าวพลางยกมือไหว้โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าได้ตายไปเสียจากโรคนี้โดยเร็วอย่างสงบสุขเถิดข้าพเจ้าจะขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงอาตมาจะทำให้เจ้าตายภายในเร็วๆนี้พระเถระกล่าวต่อไปแต่คำพูดของท่านดูเหมือนจะได้ทำให้พราหมณ์ผู้เป็นบิดาเกิดความตกใจกลัวอย่างสุด ข, ขีด เขาได้ตรงเข้ามาจับแขนทั้งสองข้างของพระเถระไว้นั่นและพูดละล่ำละลักว่าท่านสมณะนี่ข้าพเจ้าเชิญท่านมาเพื่อช่วยบุตรของข้าพเจ้าให้พ้นจากความตายไม่ใช่มาทําให้เขาตายท่านเป็นอะไรไปเสียแล้วล่ะใจเย็นๆใจเย็นๆอุบาสกใจเย็นๆไว้ใจเย็นๆพระเถระห้ามเขาจะตายหรือไม่ตายเราก็จะได้รู้กันในไม่ช้า โปรดไว้วางใจอาตมาเถิดพราหมูผู้เป็นบิดาวางมือจากพระเถระถอยไปยืนอยู่ข้างๆตาจ้องดูพระเถระด้วยความวิตกกังวลดูก่อนกุมารพระเถระหันไปพูดกับชายหนุ่มถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องตายสมปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เจ้าจะตายอาตมาอยากจะขอสนทนากับเจ้าสักครู่หนึ่งก่อนจะได้หรือไม่ท่านสมณะ ข้าพเจ้าทนทุกทรมานมานานเต็มที่แล้วถ้าท่านสงสารข้าพเจ้าอยากจะช่วยให้ข้าพเจ้าตายก็ขอได้โปรดทำข้าพเจ้าให้ตายเสียณบัดนี้เถิดอย่าชักช้าอยู่เลยกุมานเอ้ยท่านสวยทุกข์มหันฯมาหลายวันแล้วเจ้าก็ยังทนได้ช่วงเวลาครู่หนึ่งที่จะสนทนากับอาตมานี้จะทนไม่ได้เชียวหรืออาตมาจะช่วยทาให้เจ้าตาย เจ้าจะสละเวลาเพียงเล็กน้อยให้แกอัตมาเป็นการตอบแทนไม่ได้เลยคิลึกชายหนุ่มก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถอนใจพูดว่าตกลงท่านสมณะท่านอยากจะพูดอะไรก็พูดมาข้าพระเจ้าจะให้เวลาท่านเล็กน้อยดูก่อนกุมานก่อนจะสนทนากับเจ้าอัตมาจะขอถามปัญหาสักข้อหนึ่งก่อนขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริง บางทีเจ้าอาจจะไม่อยากตอบเพราะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะตอบแต่ก็ขอให้ตอบให้ได้เพราะการถามปัญหาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เจ้าตายตามวิธีการของอาตมาท่านจะถามอะไรก็เชิญถามมาได้เล ย, เลยชายหนุ่มพูดแสดงอาการว่ามีความราคาญในความยืดเยื้อของพระเถระเล็กน้อยอาตมาอยากจะถามว่าการที่เจ้าอยากจะตายในคราวนี้ ก็เพื่อจะหนีไปเสียให้พ้นจากความทุกข์ใช่หรือไม่ใช่ชายหนุ่มตอบจ้องดูพระเถระขม็งความตายเป็นทางเดียวเท่านั้นเลือที่จะทําให้เจ้าหนีจากความทุกข์ไปได้หรือหากมีทางอื่นๆอีกข้าพเจ้าไม่ทราบชายหนุ่มผู้พลาดลักตอบหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งบางทีอาจจะมีทางอื่นๆอีกก็ได้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าความตาย เป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นวิธีที่ได้ผลเด็ดขาดที่สุดเข้าพเจ้าจึงเลือกเอาทางตายโปรดทําให้เข้าพเจ้าตายเร็วๆเข้าเถอะท่านสมณะอย่ามาซักไซน์ได้เดียงเข้าพเจ้าให้เสียเวลาอยู่เลยพระเถระสงบจิตแผ่เมตตาแก่เขาอีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนกุมารขอให้เจ้าทําใจให้สบายไว้เจ้ากําลังใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะแล้ว อธิบายจะขอถามอีกสองสามปัญหาเท่านั้นเจ้าก็จะตายเมื่อกี้นี้เจ้าพูดว่าความตายเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหนีความทุกข์อาจจะเป็นความจริงสําหรับตัวเจ้าเองแต่สําหรับคนอื่นเล่ากุมารความตายของเจ้าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่ความตายของเจ้าอาจจะนําความสุขมาสู่เจ้าแต่มันจะนําความสุขมาให้บิดาของเจ้าหรือไม่มันจะนําความสุข มาให้แกมารดาญาติพี่น้องมิตรสหายของเจ้าหรือไม่ปัญหาข้อสำคัญของพระเถระดูเหมือนจะได้ผลเพราะมันทำให้ชายหนุ่มนิ่งอึง้งเป็นเชิงคิดทันทีดูก่อนกุมารพระเถระพูดต่อไปเจ้าคงจะเริ่มเห็นแล้วว่าความตายของเจ้าแม้จะนำความสุขมาสู่เจ้าแต่มันจะนำความสูญเสียและความทุกข์มหันมาสู่มารดาบิดาของเจ้า พระเจ้าเป็นบุตรคนเดียวของท่านท่านรักและห่วงแหนเจ้าดุจชีวิตหวังจะให้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สมบัติดำรงวงตระกูลแต่ถ้าเจ้ามาตายไปเสียท่านจะเป็นทุกข์เพียงใดขอให้เจ้าพิจารณาดูให้ดีอัตมาขอถามต่อไปอีกหน่อยว่าเจ้ารักมาดาบิดาของเจ้าหรือไม่รักสิชายหนุ่มตอบด้วยเสียงอ่อยๆยังคงก้มหน้านิ่ง ถ้าเจ้ารักท่านเจ้าก็ควรจะตอบสนองคุณท่านด้วยการทําให้ท่านมีความสุขถ้ารักท่านแต่กลับทําให้ท่านได้รับความทุกข์จะเชื่อว่ารักท่านอย่างแท้จริงอย่างไรชายหนุ่มไม่ตอบคําถามของพระเถระได้แต่นั่งนิ่งตาจ้องจับพื้นเอามือทั้งสองข้างถูกันไปมาบัดนี้เหตุผลได้เริ่มฉายแสงขึ้นในจิตใจของเขาแล้วเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าการฆ่าตัวตาย เพื่อเอาตัวรอดคนเดียวทิ้งมารดาบิดาไว้ในห่วงทุกข์ตลอดชาตินั้นเป็นการกระทําด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างน่าเกลียดที่สุดท่านสมณะชายหนุ่มพูดขึ้นในที่สุดถ้าไม่ใช้วิธีตายจะมีวิธีใดอีกหรือไม่ที่จะทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทรมานครั้งนี้มีอย่างแน่นอนกุมารพระเถระตอบยืนยัน และอัตมากำลังจะนำเข้าสู่วิธีนั้นแต่ก่อนอื่นอัตมาอยากจะให้เจ้ายืนยันเสียก่อนว่าเจ้าจะไม่หนีทุกข์โดยวิธีฆ่าตัวตายวิธีอื่นมีแน่หรือท่านสมณะเขายังถามด้วยความลังเลใจอ๋อมีแน่อัตมารับรองและเจ้าจะพ้นทุกแน่แน่ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะไม่ใช้วิธีตายเพื่อหนีทุก คำยืนยันของชายหนุ่มแสดงผลออกมาให้เห็นประจักษ์ทันทีทันใดพรามผู้เป็นบิดาเกิดความดีใจอย่างสุดขีด ต, ตรงเข้าสวมกอดบุตรชายของตนแล้วก็พูดออกมาว่าโอ้ลูกเอ้ยพ่อดีใจเหลือกเกินที่เจ้ากลับใจได้ ว่าแล้วก็พระจากบุตรตรงเข้ามากราบแทบเท้าของพระเถระพูดว่าโอ้ท่านสมณะท่านเป็นเทพเจ้ามาปรดข้าพเจ้าอย่างแท้จริงข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านอย่างสูงสุดไว้ในโอกาสนี้ด้วยหลังจากนั้นพรามก็ส่งเสียงตะโกนเรียกภรรยาเข้ามาแจ้งข่าวดีให้ทราบนางพรามณีดีใจไม่น้อยตรงเข้าสวมกอดรูปหน้ารูปหลังบุตร และกราบแทบเท้าของพระเถระเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนางพรามณีก็พาบุตรผู้กลับใจไปอาบน้ํำชำระ ก, กายให้แต่งตัวใหม่แล้วก็ให้รับประทานอาหารพระเถระเฝ้าสังเกตดูภาพอันเต็มไปด้วยความสุขนั้นด้วยความชื่นชมอนุโมทนาเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วพระเถระก็เรียกชายหนุ่มพร้อมทั้งมาดาบิดามานั่งรวมกันแล้วก็เริ่มต้นสั่งสอน ตามแบบฉบับของท่านต่อไปพอนั่งลงพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ได้พูดขึ้นเป็นทํานองล้อพระเถระเล่นด้วยความดิ้งโลดใจว่าโอ้ท่านสมณะที่แรกท่านบอกว่าจะช่วยฆ่าบุตรของข้าพเจ้าให้ตายมิใช่หรือแล้วทําไมท่านถึงไม่ได้ฆ่าเขาให้ตายไปเล่าทําไมท่านถึงกลับให้เขามีชีวิตอยู่พระเถระยิ้มและตอบว่าอุบาสก ท่านไม่รู้ความหมายของอาตมาเมื่ออาตมาพูดว่าจะช่วยฆ่าเขาให้ตายอาตมาหมายความว่าจะฆ่าเขาให้ตายจากความทุกข์บัดนี้เขาก็ตายจากความทุกข์ไปครึ่งตัวแล้วแต่ยังไม่หมดสิ้นเสียทีเดียวอตาตมาจะฆ่าเขาให้ตายจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงต่อไปเออท่านสมณะนี่ฉลาดหลักแหลมที่สุดในบรรดาอนาคาลิกทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยพบมา พรามออกปากชมอย่างจริงใจอย่าเพิ่งยกยออาตมาเลยอุบาสกชีวิตคือนิยายเรื่องยาวอันสลับซับซ้อนเมื่อฝั่งยังไม่จบก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูก่อนกุมารพระเถระหันไปพูดกับชายหนุ่มต่อไปนี้อาตมาจะให้คติธรรมไว้สําหรับสู้กับความทุกข์ในคราวต่อไปชีวิตคือการเดินทางอันยาวนาน ซึ่งเรารู้แต่อดีตที่ผ่านมาแต่ไม่รู้อนาคตสุขมหันและทุกข์อนันต์อาจจะคอยเราอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งแห่งหนทางข้างหน้าเมื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่ไม่คาดฝันคนผ่านบางคนย่อมฆ่าคนที่ทําให้ตนเกิดทุกข์บ้างย่อมฆ่าตนเองเพื่อหนีทุกข์บ้างย่อมฆ่าทั้งคนอื่นทั้งตนเองบ้างแต่บัณฑิตผู้มีปัญญาเมื่อเกิดความทุกข์ ย่รู้จักค่าความทุกข์คนอื่นก็ไม่ค่าตัวเองก็ไม่ค่ากุมานเอ้ยสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับชีวิตก็คือวิชาความรู้ความรู้คือที่พึ่งอันประเสริฐคอยตามเกื้อห น, นุนเราในยามทุกข์ความรู้คือมิตรแท้ซึ่งคอยช่วยเหลือเราในยามสุขและยามทุกข์มิตรภายนอกส่วนมากช่วยเหลือเราเฉพาะในยามสุขในยามทุกข์เมักแกติตนออกหาง แต่ความรู้จะอยู่กับเราตลอดเวลาทรัพย์สินภายนอกอาจจะประสบความพินาศต่างๆเพราะจาุลภัยอักคีภยัยอุทกภยัยเป็นต้นแต่ทรัพย์สมบัติคือความรู้ไม่มีวันจะสูญเสียด้วยภัยใดๆเพราะฉะนั้นความรู้จึงมีค่าควรแก่การสแสวงหาดูก่อนกุมารคนในโลกต่างเห็นคุณค่าของความรู้และสแสวงหาความรู้กันอยู่ทั่วไป คนที่มีทรัพย์สมบัติมากต่างพยายามส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนยังเมืองไกลเช่นเมืองตากศิลาเป็นต้นที่ไม่สามารถส่งไปเรียนถึงตกากศิลาก็ขวนขวายส่งไปเรียนตามสำนักอาจารย์ผู้มีชื่อตามนครต่างๆเช่นพระราณสีราชฤสาวัตถีโกสัมพีอุจเจนีเป็นต้นถ้าใครไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมาจากสำนักอาจารย์เหล่านั้น ก็ถือว่าเป็นคนโง่เง่ า, งาไร้บุญวาสนากุมานเอ้ยความจริงนั้นวิชาความรู้มีอยู่เต็มโลกมีอยู่ทุกคนทุกแห่งมีอยู่ในบ้านในเมืองในป่าในน้ําในอากาศในคนในสัตว์ไม่มีที่ใดที่จะปราศจากความรู้บุคคลที่ฉลาดมีปัญญาอาจจะหาความรู้ได้จากทุกคนทุกแห่งทุกเมื่อและกลายเป็นคนมีความรู้เฉลียวฉลา ด, ลาดได้เท่าเๆกัน หรือดีกว่าคนที่ได้ศึกษามาจากสำนักอาจารย์ทิสาปามโมกเสียอีกถ้าจะพูดกันตามความจริงโลกนี้ทั้งโลกก็คือสำนักอาจารย์ทิสาปามโมกอันยิ่งใหญ่ทุกสิ่งและทุกคนรวมทั้งตัวเราก็คือตัวความรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือครูทั้งหกที่คอยบอกความรู้ต่างๆแก่เราเหตุการณ์ต่างๆที่ทยอยกันเกิดขึ้น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 เราอาจจะต้องเรียนด้วยความยากลำบากด้วยน้ำตาหรือแม้ด้วยชีวิตนักเรียนบางคนอาจจะชอบเรียนและเลือกบทเรียนแต่บทเรียนง่ายๆที่มีความสนุกสนานแต่นักเรียนพวกนี้เมื่อได้รับบทเรียนยากๆหน่อยก็เกิดความท้อแท้ใจความทุกข์ใจพยายามหนีจากโรงเรียนโดยวิธีฆ่าตัวตายบ้างฆ่าครูผู้ให้บทเรียนนั้นบ้างเขาย่อมจะเป็นนักเรียนที่ดีไม่ได้ เขาจะไม่ได้รับความรู้ชั้นสูงเขาจะโง่และสอบตกอยู่ในโรงเรียนโลกตลอดไปกูมาเอ้ยความผิดหวังและความทุกข์ที่เจ้าได้รับในข่าวนี้จัดว่าเป็นบทเรียนที่ยากบทหนึ่งที่โรงเรียนโลกให้แก่เจ้าตอนแรกเจ้าคิดจะไปฆ่าครูผู้ให้บทเรียนแก่เจ้าเสียแต่ภายหลังเจ้าก็เลิกความตั้งใจนั้นคิดฆ่าตัวตายแทนเท่ากับคิดจะหนีตเตลิดเปิดเปิง ไปจากโรงเรียนนั่นเองเวลานี้เจ้ากลับใจใหม่แล้วที่จะอยู่ในโรงเรียนนี้ต่อไปไม่คิดที่จะฆ่าครูและไม่คิดที่จะฆ่าตนเองเพื่อห น, นีโรงเรียนอัตมาขอเตือนไว้ล่วงหน้าว่าบทเรียนที่ยากยากอ ย, ากอยาก่างนี้หรือมากกว่านี้ยังจะมีมาอีกในอนาคตโรงเรียนโลกจะทยอยป้อนบทเรียนที่ยากยากขึ้นไปโดยลําดับแก่เจ้าแต่ถ้าเจ้าสามารถผ่านบทเรียนบทนี้ไปได้ บทต่ อ, ตอไปแม้จะยากแสนยากเจ้าก็จะผ่านไปได้อย่างสะดกสบายฉะนั้นแทนที่จะโกรธแค้นจิงชังพราหมณ์มหาศาลผู้ให้บทเรียนครั้งนี้แก่เจ้าเจ้าควรจะขอบใจเขาที่ได้กรุณาให้บทเรียนอันมีค่าแก่เจ้าทำให้เจ้ามีจิตใจเข้มแข็งและฉลาดขึ้นกว่าแต่ก่อนดูก่อนกุมารในระยะแรกๆนี้เจ้าอาจจะยังมีความทุกข์ใจอยู่บ้าง อันเป็นผลเสร็จเหลือของความงูอของเจ้าเองบัดนี้เจ้าฉลาดแล้วรู้ความจริงของโลกแล้วความงูหายไปแล้วความทุกข์อันเป็นผลของความงูจะไม่เกิดขึ้นอีกแม้ความทุกข์คราวนี้จะค่อยๆหายไปตามวันเวลาเหมือนละอองน้ำที่เกิดจากลมเมื่อลมไม่มีแล้วละอองน้ำก็จะค่อยๆหายไปเจ้าไม่ต้องทาอะไรเพียงแต่อดทนคอย ทุกก็จะหายไปเองพอพระเถระเทศนาจบชายหนุ่มพร้อมทั้งบิดามารดาก็ก้มลงกราบพระเถระอย่างนอบน้อม สนาของท่านจับใจเหลือเกินท่านสมณะใช่หนุ่มกล่าวขึ้นถ้าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้เสียแต่แรกข้าพเจ้าก็อาจจะยิ้มต่อบทเรียนบทนี้ได้อย่างชื่นตาแต่นับว่าข้าพเจ้าโชคดีอยู่มากที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้เรืองปัญญาและสามารถเอาตัวรอดพ้นจากมลสุนชีวิตได้ท่านสมณะพรามผู้เป็นบิดากล่าวขึ้นบ้างข้าพเจ้าอยากจะทราบว่า ท่านเป็นนักบวชในศาสนาไหนบวชอุทิศเพื่อใครหรืออาตมาเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาบวชอุทิศพระบรมศาสดาผู้มีพระนามว่าโคตมะพระเทระตอบ <ridge> เพียงแต่เป็นสาวกยังฉลาดหลักแหลมเพียงเพียงนี้เท่หนั้นางพระมณีพูดขึ้นถ้าเป็นองค์ศาสดาจริงๆจะฉลาดหลักแหลมสังเพียงไหนเวลานี้พระศาสดาของท่าน อยู่ที่ไหนล่ะท่านสมณะอัตมาได้ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่พระเทวนารามแห่งกรุงสาวัตถีนครหลวงแห่งโกศลรัฐพระเถระตอบเออทำอย่างไรเราจึงจะสามารถพบพระองค์และฝากตนเป็นสาวกของพระองค์ได้ล่ะพราหมู้เป็นสามีถามพระเถระได้เทศนาเรื่องพรัลตนาไตรให้คนทั้งสามฟังให้เขาประกาศตน ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้สมาทานเบญจสินแล้วก็อัมลาตับศาลาที่พักคนเดินทางวันรุ่งขึ้นพรามผู้เป็นอุบาสกใหม่ในพระพุทธศาสนาได้ไปอาราธนาพระเถระให้ไปรับพระตาหารเช้าและพระเถระก็รับพระตาหารเจริญศรัทธาเขาแล้วก็อนุโมทนาและอัมลาเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกต่อไป หลังจากเดินทางรอนแรมมาได้หลายเพลาพระเรวตตเถระก็บรรลุถึงนิคมแห่งหนึ่งชื่อโคสารนิคมซึ่งกำลังตกอยู่ในชาตกภัยอันร้ายแรงเนื่องจากในปีที่ผ่านมาเกิดฝนแรงทั่วอนาบริเวณแถบนั้นทำให้ข้าวกล้าตายหมดประชาชนชาวนิคมจึงขาดแคลนข้าวบริโภคประสบความอดอยากยหวิวโหยทำให้เกิดมีโจรร้ายชุกชุม ชาวนิคมผู้ไม่มีอาหารจะบริโภคได้ละทิ้งเขื่สถานของตนออกไปอยู่ในป่าเที่ยวขุดหากรอยเพืือกมันกินเป็นอาหารชาวนิคมผู้ยังมีข้าวเหลือกับตุนไว้บ้างก็มักจะถูกพวกโจรผู้ร้ายรุนแย่งจิงเอาข้าวไปไม่เป็นตะดาวันในท่ามกลางความโหดร้ายทารุณต่างๆนั้นมีเศรษฐีผู้ใจบุญคนหนึ่งเห็นความอดอยากของประชาชน แล้วก็เกิดความสงสารจึงให้สร้างโรงทานขึ้นที่ประตูคฤหาสน์ของตนแล้วแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนผู้อดอยากวันละสองเวลาคือเช้ากับเย็นแต่แจกจ่ายให้คนละนิดคนละหน่อยพอให้สามารถประทังชีวิตได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นในถิ่นอันแร้งแขนเช่นนี้พระเถระย่อมรู้ดีว่าการบิณฑบาตตามหมู่บ้านย่อมจะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด เพราะประชาชนกำลังอดอยากย่อมไม่มีใครปรารถนาจะทำบุญถึงแม้อยากจะทำก็คงไม่มีอะไรจะทำพระเถระจึงเข้าพักในเดือนว่างของชาวบ้านที่อบเพลย์ดีไปแล้วหลังหนึ่งและได้ไปบิณฑบาต ท, ที่โรงทานของเศรษฐีในเวลาเช้าแต่เนื่องจากประชาชนผู้มารับทานมีเป็นจำนวนมากและมีทุกเพศทุกวัยการรับทานจึงเต็มไปด้วยความโกราหน ประชาชนต่างแย่งกิงผักดันกันเพื่อจะเข้ารับทานก่อนคนอื่นๆพระเถระต้องขอยให้ทุกคนได้ส่วนแบ่งของตนก่อนแล้วจึงเข้าไปรับบิณฑบาตภายหลังพอพระเถระบิณฑบาตเสร็จก็ได้เวลาปิดโรงทานพอดีเมื่อนําบิณฑบาตกลับมาถึงที่พักด้วยตั้งใจจะลงมือฉันพระเถระได้พบชายประหลาดคนหนึ่งนอนสิ้นสติอยู่ที่ที่พักของตนก่อนแล้ว ข้างๆชายคนนั้นก็มีเด็กชายอายุประมาณสามขวบคนหนึ่งมีหน้าตาบน ม, มองไม่มีเสื้อผ้าปิดกายรูปร่างผอมโซเหลือแต่หนังคุ้มกระดุกร่างร้องไห้อยู่อย่างน่าสงสารเมื่อพระเถระเข้าไปยืนอยู่ภายในบ้านแล้วเด็กคนนั้นก็คลานอย่างระทุดระทวยเข้ามากอดขาพระเถระไว้นั่นแล้วพูดพลางร้องไห้ว่าพ่อฉันตายแล้วพ่อฉันตายแล้ว มันเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความสลดสังเวชใจแก่พระเถระอย่างรุนแรงพระเถระวางบาทลงแล้วก็เดินไปก้มหน้าพิจารณาดูชายคนนั้นอย่างใกล้ชิดท่านได้พบด้วยความโล่งใจว่าเขายังไม่ตายเพียงแต่สลบสลายไปเท่านั้นพ่อของเจ้ายังไม่ตายดอกหนูเอ้ยพระเถระบอกเด็กน้อยผู้น่าสงสารนั้นแล้วก็จับแยงเทข้าวออกจากบาทใส่ฝาบาท นำเอาบาดไปตักน้าจากบ่อเพื่อมาใช้รูปหน้าชายประหลาดคนนั้นเมื่อท่านตักน้ำกลับมาถึงที่พักก็ได้พบว่าเด็กน้อยคนนั้นกำลังบริโภคบินธบาของท่านอยู่อย่างอาเด็ดอร่อยยิ่งพระเถระยืนจ้องดูเขาด้วยความสงสารเห็นใจและไม่ได้ห้ามปลามแต่อย่างใดขณะที่ยืนอยู่นั้นท่านก็กลับนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อบิดาของเด็กคนนั้นฟื้นขึ้น เขาก็คงจะหิวกระหายและต้องการอาหารด้วยท่านจึงตรงไปที่เด็กน้อยแล้วหยิบเอาบิณฑบาตซึ่งยังมีเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยขึ้นมาถือไว้การกระทำของท่านทำให้เด็กน้อยผิดหวังและร้องไห้กริ้งไปกริ้งมาพระเถระพยายามอธิบายเหตุผลอย่างไรก็ไม่ยอมฟังเสียทั้งสิน้นพระเถระคิดว่าบางครั้งบางคราวก็อาจจะต้องทำทารุณกับเด็กบ้าง เพื่อประโยชน์ของผู้ใหญ่และเพื่อสวัสดิภาพของเด็กเองท่านจึงหยิบอาหารที่เหลือวางไว้บนที่สูงแล้วก็เอาน้ำเย็นลูกตามหน้าตามตัวของชายผู้เป็นบิดาครู่ใหญ่ผ่านไปเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นจ้องดูพระเถระอย่างงงงงเมื่อได้ยินเสียงลูกร้องให้เขาก็เอียงศีรษะไปมองดูครู่หนึ่งแล้วก็หันมาจ้องดูพระเถระตามเดิม อ, อท่านสมณะเขากล่าวขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาข้าพเจ้าขอกินน้าสักหน่อยเถอะพระเถระค่อยๆดินน้ำในบาตรลงสู่ปากของเขาเป็นระยะๆะะขอบคุณมากท่านสมณะเขากล่าวด้วยเสียงแจ่มใสขึ้นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านร้างหรืออย่างไรข้าพเจ้าจึงไม่เห็นมีใครอยู่เลยนอกจากท่านถูกแล้วอุบาสกพระเถระตอบ หมู่บ้านนี้ถูกชาตกกัยคุกคามประชาชนจึงอพยพหนีไปหมดยังเหลือแต่เศรษฐีคนหนึ่งตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารแก่คนจนออท่านกะปะพินณศเศรษฐีใช่ไหมท่านสมณะกะปะพินณศเศรษฐีใช่ไหมชายประหลาดคนนั้นถามอย่างตื่นเต้นอาตมาไม่รู้จักชื่อเขาหรอกพระเถระตอบเพราะเพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อเย็นวานนี้เอง ใช่แน่ๆกับปินะเสรษฐีผู้ใจบุญชายคนนั้นอุทานออกมาด้วยความดีใจมีแววแห่งความหวังฉายขึ้นในดวงตาอันลึกโบของเขาถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วข้าพเจ้าหลอดตายแล้วชายประดาดคนนั้นหลับตาพริ้มลงไปอีกยกมือทั้งสองขึ้นพนมวางไว้บนอกแล้วก็ทำปากขมุบขมิบคล้ายกำลังสวดมนต์ ขอบคุณพระเจ้าครู่ใหญ่ผ่านไปเขาจึงลืมตาขึ้นและพยายามใช้ข้อศอกอยันกายลุกขึ้นพระเถระได้ช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้นนั่งจนสำเร็จแล้วก็ถามว่าอุบาสกท่านเป็นใครมาจากไหนหรือชายประหลาดผู้ผอมโซผิวดำคล้ำมีผ้าเพียงผืนเดียวห่อหุ้มกายส่วนล่างหลับตาเป็นเชิงรื้อฟื้นความทรงจำแล้วตอบว่า ท่านสมณะข้าพเจ้าชื่อกัจจายณนะเป็นคนวรรณะแพทย์เดินทางมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งไกลจากที่นี่ไปทางทิศตะวันตกประมาณสิบโยต์หมูบ่บ้านของเราก็เช่นเดียวกับหมู่บ้านอื่นๆในแถบนี้แหละที่ต้องประสบกับชาตกภัยอันเกิดจากฝนแล้งเมื่อข้าวที่กักตุนไว้หมดสิ้นลงก็มองไม่เห็นทางที่จะเลี้ยงชีพอื่นข้าพเจ้า พร้อมด้วยภรรยาและบุตรน้อยจึงได้เดินทางจากบ้านตั้งใจจะไปพึ่งโรงงานของออท่านกับปปิณนะเศรษฐีเลี้ยงขีพไปพลางพางก่อนแต่พอเดินทางมาได้เพียงวันเดียวสเสบียงกลางของเราก็เกิดหมดสิ้นลงและภรรยาของขพเจ้าก็ได้ตายลงด้วยอาการอันประหลาดคือพอนอนตื่นขึ้นในตอนเช้าขพเจ้าก็พบว่านางได้ตายไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าจัดการชพน ก, กิจศพของนางตามมีตามเกิดแล้วก็อุ้มลูกน้อยออกเดินทางต่อมาด้วยความอดอยากหิวกระหายอย่างหนักหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทุกแห่งที่เราเดินผ่านมาก็ล้วนแต่เป็นหมู่บ้านร้างทั้งนั้นเราพยายามเลี้ยงขีพด้วยการกินใบไม้ลากไม้ในป่าเท่าที่พอจะหาได้แล้วเราก็พยายามเดินทางอย่างรีบเร่งเพื่อให้ไปถึงบ้านท่าน กับปะปินาเศรีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เป็นเวลาสาวันเต็มๆ เ, เขานีแล้วข้าพเจ้ากับลูกยังไม่ได้บริโภคอาหารเลยเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าตื่นตั้งแต่ไก่ขันเป็นครั้งแรกแบกลูกขึ้นบ่าแล้วก็เดินมาอย่างรีบเร่งการเดินย่ำกรวดย่ำทรายมาเป็นเวลาหลายวันทำให้ข้าพเจ้าปวดรวดเร้าทั้งลำตัวทั้งลำขาทั้งสองแทบจะยกขาไม่ขึ้น ความเจ็บปวดและความเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายอย่างสุดขีดทำให้ขพเจ้าหมดกำลังลงอย่างสิ้นเชิงที่บ้านล้างหลังนี้แหละชายคนนั้นขอดื่มน้ำจากพระเทระอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าต่อไปว่าเออข้าพเจ้าจําไม่ได้ว่าได้นำตัวเข้ามาอยู่ในที่นี้ได้อย่างไรเพราะตอนนั้นความรู้สึกของขพเจ้าเลือนลางเต็มทีนับว่าเทพเจ้าบนสวงสวรรค์ อย่างเมตตากรุณาข้าพเจ้าและลูกอยู่จึงได้ชักนำให้เราเข้ามาในบ้านหลังนี้และได้พบกับท่านผู้จบเขาก็บิดตัวไปทางนั้นทีทางนี้ทีทำหน้านิ่วคิ้วขมวดและส่งเสียงร้องครางโอยโอยด้วยความเจ็บปวดขอให้อุบาสกนอนพักผ่อนตามสบายเถอะอาตมาจะช่วยเหลือท่านเท่าที่พอจะช่วยได้ว่าแล้วพระเถระ ก็นาเอาอาหารบินทบาต ท, ที่เก็บไว้ลงมามอบให้เขาสั่งว่าท่านคงจะหิวกระหายมากเชิญบริโภคอาหารนี้พอประทังชีวิตไปก่อนเถอะชายประหลดยกมือไหว้พระเถระท่วมหั ว, หวยื่นมือรับเอาอาหารไปด้วยดวงตาเป็นประกายวาวพอเขาหยิบอาหารจะใส่ปากขเขาก็หยุดชะงักถามว่าอ้าวท่านสมณะท่านเรา บริโภคอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วหรือเชิญท่านบริโภคเถอะอย่าเป็นห่วงอาตมาเลยชายคนนั้นแบ่งอาหารออกเป็นสองส่วนยกให้ลูกส่วนหนึ่งและตนเองก็บริโภคส่วนที่เหลือด้วยท่าทางอยู่กระหายอย่างยิ่งแม้ว่าอาหารนั้นจะมีปริมาณเล็กน้อยก็คงจะพอช่วยประทังชีวิตของเขาไปได้อีกเป็นเวลานานพอสมควรเป็นอันว่าวันนั้นทั้งวัน พระเถระต้องอดอาหารพระลงทานเขาเปิดแจกทานเพียงสองครั้งเท่านั้นแม้จะเปิดในตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์สำหรับท่านเพราะท่านบริโภคอาหารในเวลาวิกาลไม่ได้พระเถระยังวันอันยาวนานนั้นให้ผ่านไปด้วยการสนทนากับชายประดานั้นบ้างทำให้จิตใจลงสู่พิจารณาธรรมบ้าง ในตอนเย็นเมื่อโรงทานเปิดแจกทานอีกชายคนนั้นก็ไปรับทานไม่ได้เพราะปรากฏว่าเท้าทั้งสองของเขาเกิดอาการบวมขึ้นมาจนดูกลมคล้ายกับเท้าศพที่กำลังเน่าขึ้นอืดมีอาการเจ็บปวดจนกระดุกกระดิกไม่ได้ฝ่ายลูกชายน้อยของเขาก็เด็กเกินไปที่จะไปแย่งชิงรับทานกับฝูงคนมากมายได้ในที่สุดสองพ่อลูก จึงตัดสินใจระงับความหิวด้วยการนอนหลับพักผ่อนฝ่ายพระเถระก็พยายามหาหยุกยาตามมีตามเกิดมาประครบเท้าทั้งสองของกัจจายนะด้วยความเมตตาสงสารเช้าวันลุงขึ้นพระเถระได้สะพายบาทไปยืนอยู่ที่ประตูโรงทานก่อนใครๆหมดเพราะตั้งใจว่าจะรับเอาบินตบาตงวดแรกไปให้สองพ่อลูกผู้น่าสงสารก่อนแล้วจะรีบกลับไป รับอังวดที่สองเพื่อบริโภคเองเช้าวันนั้นท่านได้มีโอกาสรับบิณฑบาตก่อนคนอื่นๆแต่เมื่อรับแล้วกว่าจะฝ่าฝูงชนออกมาก็กินเวลาไปไม่ใช่น้อยพอออกมาพ้นฝูงคนท่านก็รีบเดินกลับที่พักเมื่อถึงที่พักแล้วก็รีบเทอาหารให้สองพ่อลูกแล้วก็รีบกลับไปยังโรงทานอีกแต่เมื่อไปถึงโรงทานก็พบว่า ฝูงคนเต็มนั่นขนาดไปหมดจนไม่สามารถจะฝ่าเข้าไปได้พระเถระเดินวนเวียนอยู่บริเวณ น, นอกโรงทานจนกระทั่งโรงทานปิดจึงได้เดินกลับที่พักด้วยอาการอันอ่อนละหโหยอท่านไม่ได้บินทบาดหรอกหรือท่านสมณนะกัจจายนะถามด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นพระเถระวางบาทเปล่าไว้อย่างที่เดิมพระเถระตอบว่าไม่ได้เลยอุบาสก คนมากเหลือเกินอัตมาไม่สามารถจะฝ่าฟูมชนเข้าไปได้กัจจายะนะมองดูพระเถระด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจในความกรุณาของท่านจนพูดไม่ออกเขาอั้มอึ้งอยู่ครู่ใหญ่แล้วจึงพูดขึ้นว่าท่านสมณะท่านต้องอดอาหารถึงสองวันเพราะเราแท้ๆอยากนั้นเลยท่านสมณะวันนี้ขอให้เราอิ่มก่อนเถอะวันรุ่งขึ้น ขอให้ท่านอิ่มเราจะยอมอดเมื่อท่านบินธบาตได้แล้วขอให้ท่านบริโภคองเดียวเถอะเราจะผลัดเปลี่ยนการอดเช่นนี้จนกว่าข้าพเจ้าจะหายแล้วข้าพเจ้าจะไปรับเ อ, อรับทานมาถวายท่านเอง วันล่วงขึ้นพระเถระคงตื่นแต่เช้ารีบไปยืนรอรับบิณฑบาต ท, ที่หน้าโรงทานตามเดิมเมื่อได้รับบิณฑบาตแล้วก็รีบนำมาให้สองพ่อลูกที่รอรับอยู่หน้าที่พักพ่อเทเสร็จก็รีบกลับไปยังโรงทานอีกแต่ก็ไม่สามารถฝ่าฝูงชนเข้าไปรับบิณฑบาตได้อีกตามเคยขณะที่ท่านกําลังเดินวนเวียนอยู่นั่นเองก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านสมณะ ท่านกับปินาเศรษฐีขอนิมนต์ท่านขึ้นไปบนครือหาดชายคนนั้นรับอาบาตของพระเถระไปอุ้มไว้แล้วก็เดินนำหน้าพระเถระเข้าสู่ครือหาดบนอาสนะอันวิจิตที่ตั้งอยู่กลางห้องโถงชั้นล่างพระเถระได้เห็นชายอายุประมาณหกสิบปีเศษมีร่างอ้วนทวนสมบูรณ์มีผิวขาวละเอียดอ่อนแสดงว่าเป็นผู้มีบุญกาลังนั่งเจรจากับชายคนหนึ่ง ซึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ใกล้ๆพอเห็นพระเถระเดินเข้าห้องไปชายคนนั้นซึ่งพระเถระเชื่อว่าจะต้องเป็นกับปินณเศรษฐีได้ลุกขึ้นยืนรับพระเถระและออกปากเชิญว่าท่านสมณะขอนิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะนั้นเป็นเวลานา น, านแล้วทีเดียวที่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสจะได้พบปะสนทนากับนักบวชยิ่งในยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะอดอยากอย่างนี้ ก็ย่งไม่มีนักบวชในศาสนาใดๆโผล่มาเลยท่านทราบไม่ว่าข้าพเจ้าเป็นคนสนใจในเรื่องของปัญหาทางศาสนามากเมื่อพระเถระและท่านเศรษฐีนั่งลงบนอาสนะเรียบร้อยแล้วชายคนแรกที่ออกไปนิมนต์พระเถระเข้ามาก็นำบาตรซึ่งเต็มไปด้วยโภชนะอันปราณีตเข้ามาน้อมถวายพระเถระ